สีละวัดสีมุสีนิพพติโมกข์โมระภัสโมระวังสาคือระงเทด็คลงวาอันนั้นจะไปสักวัดที่ย้อนอันนิชบาเป็นวัดแล่วนอันนุเดียเป็นวัดนักตักวัดกันอันนิบาลเป็นวัดตามเท่าที่ผมชีงเกณฑ์มาทุกวันมันจะ รุ่งเรอืองเป็นหมดทั้งย่อจริงๆเราก็จะพูดก่อนที่เรียนหนักต่อครูาอาจารย์ที่เป็นที่รู้ไปสัมผัสมามันมันเกี่ยวกับาการทำงานจัดงานขึ้นงานโฉมบ้านและทำงา น, น, นประจำปีว่าจัดงานฐาทนทุนสงฆการก่อการสร้างมันก็เลยทำให้ ข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ของพระเจ้าปฐมเฉี่งมไปมดไปสิ้นไปเวลามีการมีงานงานแต่ละอย่างมันมีหลายคณะที่มาร่วมกันมีข้าวไหลมหานิคายได้ข่าว่หลขึ้นมาช่วยเหลืทำใหพวกวารียศมาร่รวมกันคท่ายเวลามีการกระุมกันกยกวอย่างเช่น จังหวัดสกนดีผมก็เลยไม่ไปผมมีหนังสือมากขเขาบอกว่ามีจ่สั่นเชิญเราอยว่สั้นเช่าไม่มีโอ่านลยนะเราไม่ไปต้าไปถ้าเราจะไปทำย๋ยไม่จะขาดกเพื่อนกับคนี้งนเงก็จะต่อว่ามันเป็นเม่ไดเลือกเลือกนึกถึงผูง้ารย์จัน อระรุทธิวัฒน์มลรสสามที่ที่ผมได้ร ะ, ะดับรับฟังจากลูกผู้อำพรที่ตั้นอยู่กับลูกผู้พระเจ้าลูกผู้กับก ผ, ผ, ผมันอยู่บันนอยจนท่านบิยาบาตขยับ ม, มาเรื่อยออกจากไปถึง้นันขยับออ ไฟลมาไฟมาไฟมาจนเข้ามาในวิถีบาตันเฉวัตแมื่อท่านเไปนี่ว่าจมูมวิถีบาตันรอบรอบสลาร์พุทธสันะท่านต์สันพทธสารืตุ้งท่ายถ้ายืนไปยืนนั่งไปสบายถยูตรงว่ามันใดที่นจนท่าลุกไม่ได้ท่านงท่านนั่งขนาดนั้นถ้าพวกร้อนใช่ไหพอผ่ไปปีที่แล้ว เขประกาศว่าของกษัตริย์านมีมวลภูมิอาจารย์อะไรอาจารย์เพียนไม่ต้องไปกันหมดเวลาตอนเช่าคิดสันสันที่เท่บาทเบาทเวลาเพียนทไมไม่อาวไปสหมดไปสิ่งไปเพราะฉะนั้นจึว่าูมิอาชาพวกเราขาราชการรวไม่รักษาช่วยกันหมดนักบุอาจารย์อน่ลูกศิษย์ลูกค้านเน้นนักเกลกันไ มันจะหมดไปสิ้นไปถ้าหมดข้อวัดปฏิมาทั่วที่าาลูกาารนใช่มามมันเป็นไปไหม่น่ามันเป็นไปต้องกลุ่เสือมันจะหมดไปสิ้นไปเนี่ยข้อวัดปฏิมาโอสมัยนี้มันจมันมีไปกว้างจริงตอนชอนไม่ทาบว่ามันชะบางเร่องไม่ใจะบางไม่ได้อารมณ์เรือไม่ได้อารมณ์ เนี่ยอนั่ญาติโยมตามรว ง, ง, งพต่างๆเห็นภพระกันนิมนต์ไปเลยเข้าไปอะไ ร, ไ ป, รประโยชแรกนมความชั่งโผลาแฟานมนีเอาจะยังไม่สวาไม่าทาบวะมันฉีดมันจะตรงไหนทำตรงไหนีั้นยังตรงไห น, ไ ม, ไหนมันไม่สมเหตุสเลยยที่นี้ก็าเ่อยงพงไปเลวงพ่ออยูนไป และยองแต่ว่าไม่ได้เป็นครอบครัวเป็นครอบคัอ่าอ่าีสอดของลูกเสือที่อยู่ของทะเลก็ถึงน้ำมาพอองไปพอลงรถไปโอกคลี่มอนมุงไปซิมุนไปซิมุนผานไปไปที่เขาต้อนรับแฉ่เอาต้อนรับผ่าน นี่เขาก็ไปยก อ, อันนี้พวกนี้นพวกหน้ามือพวกพวกกับการแพทยพวกนุ่พนพนงพวกนี้มามันก็เดินหีตอหน้าไปเลยถ้าเราถ้าผมไป ท, ทํารีมันก็จะเป็นตัวอย่าง น, นั่นแหละผมผมเงื่อนผมหงสองไปนี่ผมก็ผมก็ไม่รับที่หนม่ที่หนึ่นนที่แล้วผมก็ไม่ไปถ้าพวกเราพวกญาจะไม่ช่วยกันรักษาไม่เกินกัน จะหมดไปไม่จะหมดเพราะฉะนั้นเราควอยะจะไปดูว่ากูบาจังจารย์จะทุนแรงตายที่กูบาจย์ทั้ความปฏิบัติมานเพราะว่าทาไมจะว่าปฏิบัติอย่างนี้ก็เพราะไมจะอะไรยืดทำเห็นทำทำคืออะไรทับกับคือทุกข์หรหลังถ้ามันผ่านทุกข์ออกไปอะไรจะเกิดขึ้นมาฉันทรมานเป็นควาของกูบาจางเท่ก กดนอนบ้านกดนอนผลอาหารอภรณ์อาหารท่านเป้าก็เป็นปฏิบัติเพราะฉะนั้นจีบ้ามันเจียมหมดญาติโยมเหมือนกันให้เตือนกันนะอย่าถ้ามาถึงเวลาเวลาตั้งครัวกิดจะเป็นนิมนต์กลัวเขาแผ่ถ้าถ้าเห็นผี่มิดหูผิดตาก็ขอขอท่านก็จะกบหัว่าอาจใจ มันจะปิดหมันจะถูกกขอให้ให้ให้ท่านฟังทุกนว่านี้มันยังมันยังไม่สบายมันมันยังไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลามันไม่ได้อรืณบอกทุงโต้เลยก็ได้มั่นไม่เป็นไรแต่เตืนเตือนเพื่อเตือนเพื่อของดีติติครับตี้งดีกว่าทำชมติเพื่อชมท่านอาจารย์ยวนท่านมาติเพื่อชม เรืองให้เกิดกันมันจะหมดไป เ, ปเรื่อยๆารข้สันที่เมื่อต้นกลางขัอสานที่ผ่านมามีพระไปจับไปจับจังหัดร่หรยยือมหาดลภานทที่จำเลนพราะไปพอเสริญพุ่มพุ่มันอาพุผมอาพุผ ม, ผมสันเจล้วนะครับลุกจากที่ไปึ้ น, นั่งที่ที่ตรงเคยนั่ง ยิงแหกเรียพาขึ้ามาแล้วมาทำไปเรีาวน้อมาจากที่ไหนมาจากมาห า, าสารคามฉั น, น, น, นมีจั า, ยายรยไ ด, ดิยงฉันในเรีวบานบาไม่ได้ออกมาผมไปเรีว่าเออถ้าไม่ถ้าไม่ได้ออกบาทมาก่อนวันนี่กเราไม่ต้องสันบาทไปเดียมันหนักหนะามทำไมทายทา ย, ายมาไม่ได้ แต่ผมพูดอย่างนี้มันจะปีนมันจะสูงจริงจิงแล้วก็โดยส่วนมากการพึกษาเนี่ยพากันเากันไปพวกจากพวกรงทัานพาทัานถุงกับควยไม่มีสาทเินไปไปไปสั้นข้างหน้าไปสั้นข้างหน้าแล้วก็ไม่มีบาตรไม่เดิสนนาทานไม่มีบัตแล้วก็ขาดขาดปินาาแคบไปที่เนี้ก็ที่อุปสรรคจอนอสัศข์่วงเวลา บวเร็จแล้วให้ไปวิญบาณไปหาไปไปเสี่ยงชีวิตด้วยกาลังปีแคกอัล น, นีมันก็ทิ้งไปมันก็มไปแล้วก็จุธาจะพวกที่ปวดใหม่จะขึ้นมาใหม่สุธาใครแล้วก็จะมาเห็นปฏิปทาของครูบาอ า, าจารย์ตั้งต่เริ่มแรกมันเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรเขาเขาจะมาเจับโพ มันไปเพราะฉะนั hmm. ้นม so, ันไม่ใไปมันไปที hmm. mm ่ไปแล้วมันแล้วตกหุยอัเขาหุยตกหุยมาที่คณะผู้รอที่มีอยู่ใกล้อยู่ไกลจะเตรียมกัรโทรไปบอกกันถ้ามีฉนาดนั้นจริงไหมแล้วก็ที่คงไปอ้าปีนี้ผมเชื่อตนนี้ก็เวลาสวนสดีมันผมถ้าท้านเป็นเป็นคนละก็จะออกขับรถบอกมา มีที่บ้านเพราะเาต้องไม่มีที่ไปถ้ามีที่ไปก็ลงไปหน้าบ้านครับไปวิ่นเรียกไก่ยูวัดซัยเสนาเสมอกันวัดมันถ้าวันไหนไม่ได้ไปส่วนมันข้างนอกเวลาจะเดินเข้าเปนส่บาตรเราพอกอกให้เขาก็เข้าแถวล้านวัดบอกที่บ้าน อนุรักษ์ไว้พระเจ้าเมื่อไปซือไปมีอันนี้กับานะช่วงนี้จะประกาศอกไปให้ให้ให้ทีควาสีสีเหลืองให้มือนกันทั้งหมดผมก็เลยว่ามันจะไม่ได้เพราะว่าหมดคูบาตรไปแล้วไม่กี่ปีกี่เดือนทำไมถึงมาเปลี่ยนเปลี่ยนมันก็ไม่ไดกพออยู่แรกผมจะไปเจออยู่งาน เจ้าคุณอำเภอบางสะปูบอกว่าเจ้าคุณชุ่มเรียไปที่หนึ่งไปมีท่านเจ้าคุณเนี่ยมันมันนุ่มนอยไปถึงก่อนผมที่จะได้กุมผ้าธรรมดาไปพอเขาไปเว่ามีพวกผ้าเอาผ้าที่เหรียญมาเปลี่ยนให้ว่าให้ท่านเปลี่ยนมากเจ้าคุณชุ่มเดรียนมาเหตุภาเวลาผมผมก็ไปไม่ไม่เห็นเขาภาผ้ามา นี่เวลาเขาไปในในที่ที่อ่ะที่นีกับ จ, พบจาพนสุเมฆก็มองดูจ้ากมไมมองดูพอเสด็จแรกก็ไม่หทัานปวดอะไรถ้าพดถ้าถ้าถ้าท่านปวดมากก็จะขอขอขอพูดเหตุผลนี้มันทนอนนั่นเเพราะฉะนั้นก่ว่ามันมันมันจะให้ไม่ให้มีคณะ กรรมฐานกับอภวปฏิบัติหรือฉะนั้นมีจะ่อภวรปฏิญาติบางอย่างมันเป็นไปไม่ได้นมันจะทั้งปฏิญาตปฏิบัติปฏิเวรด้วยกันเป็นคู่กันไปมันจะทิ้จะไปกันได้แต่าปเยอะก็ไปไม่ได้เหมือนกันอันนี้เรื่องมันเกี่ยวกับข้อแรกปฏิบัติของโภโร มีหน้าไทท่านเ น, น้นการข้อวัดปฏิบัติทั้งข้อวัดทอกข้อวัดไทยในรักษาไวไ้ให้พระองค์เทิคงวาการไหว้พระสดมนก็จะให้นมนตขาดนำธรรมที่ภาวนากาจะให้มนต์ขาดเดินชูงงก็จะให้นมนขาดกาลังเร่งกาลังนยังไหวกาลังเมื่อมีกำลังวังชาแข็งแรงอยู่ นีวพวกที่เขาไปลบกับภาพจรงเขา เ, าเอาเอาเอาจากคนหนุ่มก็เป็นทหารนี่เดี๋ยวเรากาลังไล้โน้ตเดี๋ยวรุนลั่สู้กับกีเลยสเขาเมื่อแกตูรามันมันมันกาลังมันจะนันมันกาลังวังามันจามารถมันกมวยตัวปวยพอดสู้กันสดๆรอดที่การการกระ้นปฏิบัติ ถา้าพูดไปตามาเข้าไปถึงความจริงเลยที่นี่ก่อจะย่าไปกลัวตายก่อนถ้ากลัวแล้วมันถ้ากลัวแล้วมันจะไม่ตายส่วนจิตใจที่นี่ตัวจิตดิงใจในี่มันเป็นนามธรรมมันไม่มีรูปมันไม่ีร่างมันมีตัวมีตนเก็บใค่ที่ป่วยไม่เป็นที่นี่จริงๆเลยกเจตนาผมก็พูดที่เจ้าให้พกอกว่าไม่ไดปริบปฏิบัติ การจดจัการในทางการส ร, รสักษาศิลป์การเจริญเมตตาภาวนามาสบสมพลังนี่รวมกันเข้าเพื่อจปฏิบัติเพื่อจะตามพระสงฆ์นให้มันรู้ให้มันเห็นเพราะฉนั้นท่านจวาผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นทำผู้ใดเห็นทำผู้นั้นดีเราจะทําทมาทำในที่นี้หมายถึงดวงจิตดวงใจนี่ละจุดตรวน่ากายทําไม่รู้ี่เวนอะไรนแล้ว ดูในดูในก้นตวการของอรัมันีธาตาตุินธาินธาน้าไปธาุมที่สัวเป็นมือีอาการตามนิพนธาตจรินกับาตุน้าดินธาตุดินกับมีผมผลเทพันย่ยนั่ที่นั่งไปที่นั่งไที่นั่งไปที้นั่งสปที่นั่งไปท่นั่งไปทา่นที่นั่งนับงที่นั่ที่นั่งไี่นั่งไปที่นั่นั่งเปทีนงนทีนไปทีนัู่ไทําไ่อนั่งไ เอาไทํายมองอกุลเอาปัญญายุทธกุลปัญกายุทธ์โซนปัญายุวันละไวไฟโผอ่หานย่อยทำรมรมมันขึ้นบางคนต่แบบเพิ่งเท่าเป็นทฤศาสตร์ร่มในท้องร่มในไส้ร่มในตัตัวารร่มในใจเข่าอกรวมกันจก็บก่จะเป็นการสองกราไม่ใช่ตนมหามหาตนจริงๆมันอยู่ตรงไหนมันไปที่สนอยู่มันไม่มีไม่มีแต่อาการสามที่สองรุแล้วมันจะวา มันรวมอยู่ที่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นว่าดินธาตุดินเขาก็ไม่รู้จับตุกจับทุกไม่รูจ้จักเย็นร้อนของแฉเข้าไม่รู้อะไรไม่ไม่มีไม่มีมีความรู้สึกนึกคิดอะไรนั่นกนกกงก็เหมือนกันนั่งจะไม่รู้สึกรู้สึกตุกตุไปก็ไม่รู้สักตุกจับุกนัก็ไม่รู้จับตุกุกผู้ที่รู้สึกุกตุคือกิตใจดวงจิตดวใจ น, นี่แค่นี้ก็ไม่มีตัวมีตัวอืวินเปนำทำเหมนกันที่มองเห็นด้วยตามผมว่า มิจฉาทิฏฐิกับธาตุน้ำไฟก็ไม่มีตัวตนอันนี้มันลักษณะนี้แต่หนาแหลงะตฟันาไฟจริงๆคือลมร้อนไม่มีตัวไฟก็เป็นนามธรรมเหมือนกันลมก็เป็นนามธรรมเหมือนกันไม่มีตัวมีตนเพราะนั้นจปลว่าอันนี้เชตโตม่สัตวที่ที่วม่ใช่ชีวิตชุนตัวมีของบางอย่างโคตรสกปรกาของมองเรานั่นไม่มีอะไรเลยสรุปแล้วทีนี้ตาม ตามมากทีนี่ครับท่านเรียงเรียงไปธรมาทิฏฐิมาทัปูมาวจารธรรมะธรรมะโสธรรมะชีวธรรมะปิโมสรรมาสติสรรมาสมาธิธรรมะกับไปว่ามันทางที่ชอบธารมาทิฏฐิปัญญาอั้ยิ่งชอบท่านเห็นอะไรพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านเห็นอริยสัจสามสีอริยสัจสามสีที่นี่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าจะได้เข้าสู่พระปณิวัฒน์เป็นหมวแล้วชักจะทำช่างไรเลยมันอยู่ที่ไหน โชคดีโชคดพวกเราจริงตวอาลัยอาลัยเพราะว่าทำมันไปแต่สัตว์จำต้องจริงทุกข์หนึ่งชามุทายเห็นทุกเกิดนี่รอดคือความหนับทุกข์นี่รอดกับนี้รอดคัเดียวกันถ้าทิศใจไม่เห็นทุกข์จริงจริงถึงจิตทิศใจจริงมันจะหาทางโนอาทางนี้เนี่ยจะมาทุกข์ชมุทายทุกข์มันเกิดเพราะ มันเดสเเพราะตัวส ม, มทุทัยตัวทุกข์เป็นเป็นผลตทุกข์เป็นผลตัวเหตุนั่นคือมมตัวสมุทัยจะถามว่าตัวสมุทัทยอยู่ที่ไหนหรือเรื่องสบกับจิตใจของเราเนี่ยที่มันหลงอยู่เป็นตัวส ม, มุทยัยที่เรียกป้นสมรางกยทั้งหมดมีข้อสมุทัยปนทุกข์ป้นเจ็บป้นปวดเหตุให้ทุกข์เกิดที่นี่ขายายออกไปรอบรอบทที่ที่มองเห็นด้วยตา อยู่ในบริเวณว่าแต่คนนอกร้นนี่ก็ไม่จะนี่จะตัวเหตุตปัจจทําำไมเกิดทุกข์ทั้งนั้นก็เนี่ยนีตัวเหสุตปัจจเพราะด้นศัลยวอ่อนส่วนระารกายนี่เป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุทุกเกิดกระพริบขึ้จิตใจนึรืองกับปัจจัยิตใจตัวเหตเป็นปัจจัยให้ให้สูงทุกข์เกิดที่นี่ผู้นี่รู้สูงรูทุกข์กับเครือจิตใจที่รับสูงรับทุกข์กับเครือจใจส่วนร่างกายเขาไม่รัวอะไรเลยมอเมือกับตุกตา ก็ไม่รู้เลยพราะะนั้นรุปแล้วไอ้ความหลงเนี่ยไม่หลงอะไรทีสรุแล้วไม่หลงตนมันไม่เห็นตนเมื่อไม่เห็นตนเม่อไม่ลึก่าจะของภายนอกหร่อว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเป็นคนมันที่าเนได้เป็นตนจริงแล้วมันใสหรือไมก็ถามมือลองถามแขนต้องดูถมความปว่าทุกส่วนตองดูเขาเขาเป็นใครเขามีความรู้สึกลึกๆไหมถาถามนเงต้องดูถามเนือาเป็นถาาที่ยับไปไล่กไปหา หาความจริงมันมีมันทำไงถ้าถ้าาไปเห็นควจริงแล้วมันจะจะลูกขง<ม>องเราเลยจังวัดสมทรตีปัญญาเห็นซ่อนั่นเห็นทุกเห็นสมุทรไทยเห็สุกเกิดแล้วก็เห็นี่ลือกพบแลทุกแล้วนึ่งามอย่างเหียบ yeah. ทุกสมุทไทยนี่รลือามอย่างนั่นเป็นทางเข้าไปเข้าไปดับทุกท่านหชื่อมาดับทุไหนเลยดับทุกที่มันเกิดเกิดที่ก็ดับทที่นั่น ทุกสมัยที่รอดมีข้อที่หนึ่งข้อที่สองทำมาทัสงกะโปรงดำมิชอบดำมิชอบดำมิออกดำมิออกจะทำจะทำอาการยังที่ไหนการก้นสมองรากายของพวกเราทุกคนที่นี่ย ก, ก้อนกรน ร, าการกกมมาทั้งหมดข้อมทั้งหินใจที่เขาไปย็บผิดเองกินจะเป็นการตัวกั น, นจะามเป็นว่าคงร้อนทำเม็นว่าไฟไฟอะไรที่นี่ไฟลักา กวานกำนัดที่นี่นูกที่เสียในตีนในรวอนเครื่องในคันไฟัวตาขึ้นกโอดไฟมอหานขึ้นก้มหลงเมื่อมืดหรือหนึสำคัญมันจะงีง่ามันไฟมันเผายึดตลอดเวลาเผายูดตลอดเวลาทั้งกลรมบันกันเกนจินเด่นนหัวมันเผาแต่เราไม่รู้อาการที่ไม่รู้ท่านนั่ยให้นามาตัวอภิชามันคอบนจะรู้เรื่องมาปฏิบัติมาสร้างปฏิสัญญาขึ้นมา ให้ตัวชาตรีครับไม่เจียมขนาดแล้วกบมาหาตามที่กายถ้าที่กายมันก็จบเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรการไม่มีสุขตะทุกข์ก็ไม่มีการมีสุขมันมีสุขตะทุกข์มันมีการมีเบญนาไมะมีการมีทัญยามันก็มันมีกามีทันขานมันก็มันมีการไม่มีวิญญาณมันก็ตั้งตั้งงษ์จกิระไดมันก็ไม่มีมันหมดส่วนที่เหลือก็คือจิตใจเวลามัน อาชีพใจเวลาร่างกานแตกมันไปสิสลายไปถ้าไม่มั่มันไปที่ไหนดินถ้าไปโธ่ดินนู้นกับน้ลายละลายไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำไฟก็ไปสู่ไฟกับไปสู่โล่โจที่เหลือกับขีจิตใจเนี่ยอจิตใจตัวนี้ถ้ามันจะงจิตใจอยู่กับร่างกายดีดีเพรใจกับรางกายอยู่เรื่องอะไรเนี่ยมันจะยอดกับมันเกิดเอไม่จะเกิดก็ได่เกิดท่านมันไม่เปล่ เพราท่านจะให้เวลาวัิบันทร์อย่าเป็นิีทุกข์ ม, มากทุัข์มากมากท่านไม่รู้ท่านรู้มาก่าไมเห็นมากมากแย่ว่าความเห็นของผมเนี่ยว่าถ้าคนเ จ, จเียวพระในเจยังายังน้อยนะท่านเห็นสุขก็เห็นทุกข์หลักล้านล้างตัวเช่มดียวันพอไปเห็นที่ิตทีใจจนจนจิตใจมัน จ, นมนจอมรับก่นเ่าอนทีคนกาเนี่ยป็นก้อนทุกข์ เป็นก่อนปุ๋ยก้อนไฟเป็นตัวสมุทรไทยเป็นเหทุกเกิดสรุปได้แล้วทำยงไงก็จะเบืรอได้ที่ไหนถ้าเป็เดียวทั้ง้มาเห็นมากที่นี่เป็กาเบื่อไา้เมื่อไม่เบื่อไา้ก็ใช้พลังงานดีเมื่อมาค้พงพลังงานที่ดีติดกับคนกับคนกับที่ไหนก็พ้นปัญหาขร้กับมีแล้วพ้นปจญหาบูกจะเป็นธนาธนยาเทกาลนี้กันมาปฏิบัติมาทำกิจกรรให้ิเดกระเทศสรุปได้จะามว่า พวกเรามีแค่ชิ้นห้าชิ้เปลี่ยนจะรู้ได้เห็นได้ไหมไม่จ้องทงบใส่โให้ปฏิบัติค่อยทำทำที่จริงยังจำนี่ก็เสียสลับเวลาเวลาปฏิบัติมันอย่าเอาอย่าเอาความตายเป็นหน้า่ามถ้าเอาความตายเปหัวงหน้ามเราจะท้อใจดังนั้นจงให้เอาความตายพาให้ให้าห้ให้มันอยเรื่องหลังเวลามันโผล่ขึ้นมาเราจะได้ดูความจริงอ่ะคือทุกันไม่จะโผล่หน้าขึ้นมาใก่อน หรือหรือเรือหรือจะไปถือเอาสุขาปฏิปทาธมาตญาณปฏิบัติเป็นสุขมันมันจะมีหลายทิศางมาปฏิบัติเป็นสุขรู้รูรง่ายก็มีปฏิบัติเป็นทุกข์ได้ยากก็มีปฏิบัติเป็นทุกข์รู้รูเร็วก็มีปฏิบัติเป็นทุกข์ได้ยากก็มีันแต่ว่าสุ้าสุกาผลที่จะเล่าอย่างเดียวกันมันต้องสงสัยต้องเดาจะละ ในไหนมันก็จะแตกจะดับไปเรื่อยร่างกายามากมันก็ร้อยปีหรือร้อยกว่าปีมันก็แตกแล้วทาไมมันจึงแตกโอ้ซ้ำซากจะเป็นเพราะแต่เพรมันมีอายุแต่แน่นอนที่นี่การเกยดการตายของพวกลอยถ้าย้อนหลังมันมันมากแล้วเป็นมือมือเป็นเส้นเป็นน่านแล้วจาไม่ได้ตัวสัญญาผมจำมันจำไม่ได้ถ้าจาได้มันจะเบื่อตายอยู่ในความเป็ศาสตร์ที่เกิดมา ไอ้ามฉะเนี่ยผมเพ้่งเจอท่านเห็นเห็นเห็นวกท่านเห็นมากจึงกังวลใจเลยจึงท่านยอมเสียสละวันที่ท่านจะได้ตัดสรุปเป็นนั่งให้โคนพระศรีมหาโพธิที่ท่านอิจิตมาเ น, family, นี่ยน้มันน้ำมันจะเย็นเพระนก็ทำเสียสละเพา่ไม่ได้สัดสรุปวันคุณ ฉล่นจิตมันไประดึกได้ช่วงที่สภาพจิโทธนาขา้าเอาไปแรกนะั่วันไป น, นั่งส ม, สมาธิภาวนาอยู่ร่ม่าสุขโขเหมือ น, นนึกได้เพราะนึกได้นนะเพรนึกได้ฉล่นต่กวนทาไมนึกไม่ได้เพราะว่ามันไม่พร้อมทุกข์มันจะไม่พร้อมสุขมันนั่นแ่ะมันไม่พร้อมนนะ ม, ม, อ ม, มันไม่เต็มอธิบยไม่เต็มแล้วไ่จึงรู้ได้เลยอันนี้พวกเขาทำเหมือนกนะันถ้าไ็น เห็นทุบมันบ้ e แล้วเดี๋ยวมันก็จะให้คนมองใส่ท้องใส่ตงนั้ไม่ต้องงใส่